พลาดเจอผีเจอดีตอนทุดงสัมผัสสยองเรื่องราวและเหตุการณ์นี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณพง์เมื่อครั้งบวชเรียนเป็นภาค และได้ติดตามพระอาจารย์ออกเดินธุดงสมัยนั้นเป็นปีพศ2542ป่ายังมีอยู่เยอะมากไม่เหมือนกับสมัยนี้คุณพง์ได้เดินตั้งแต่จังหวัดฉาิเชิงเรามุ่งหน้าไปสู่อีสานเดินแบบไปกันเรื่อยๆค่อยๆไปข้ามไหนก็ปรักกฎที่นั่นเดินธุดงเป็นเวลาสองเดือนเห็นจะได้ จนกระทั่งไปถึงจังหวัดสุรินทร์ค่ำของวันหนึ่งพระอาจารย์ท่านก็ได้เลือกทำเลปักกรดที่นั่นซึ่งที่นั่นเป็นวัดร้างวัดหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์พอตกคำ่ำหลังจากทิพระภิภิกษุทั้งสองรูปทำวัดสวดมนต์กันเสร็จก็มีผู้ใหญ่บ้านมากับลูกบ้านอีกสี่ห้าคนเข้ามากราบนมัสการพระอาจารย์แล้วก็พูดกินว่า นมัส ก, การขับพาจาร์ทั้งสองดีเหลือเกินแถวนี้ไม่มีพระมาโปรดญาติโยมชาวบ้านนานมากแล้วเนื่องจากสมัยนั้นทางภาคอีสานวัดจะร้างกันเยอะพระก็ไม่ค่อยจะมีเหมือนสมัยนี้สักเท่าไหร่แล้วผู้ใหญ่บ้านก็ถามต่อไปว่าพระาจาร์จะมาปา ก, กลดปรดญาติโยมอยู่สักกี่วันพระาจา์ก็ตอบไปว่า ถ้าสถานที่และบรรยากาศสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมก็จะอยู่สักสองสามวันเนื่องจากเดินทุดงมานานมากแล้วก็อยากพักปฏิบัติสักทีผู้ใหญ่บ้านนั้นก็โมทนาสาธุแล้วก็พูดอีกว่าเดี๋ยวผมกลับไปจะให้ลูกบ้านไปเป่าประกาศบอกกับชาวบ้านคนอื่นๆว่ามีผ้ามาปลักกฎโปรดญาติโยมอยู่บริเวณ น, นี้จะได้มาทาบุญใส่บาตรกัน ว่าแล้วคนทั้งหมดก็ขอตัวกราบลากลับไปพระทั้งสองรูป ก, ก็ปฏิบัติกันต่อทั้งนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมจนกระทั่งเวลาถึงเที่ยงคืนก็เข้ากรดจำวัดกันเพื่อที่ว่าเมื่อถึงเวลาตีสี่ก็จะต้องตื่นขึ้นมาทําวัดสวดมนต์คืนแรกนั้นก็ผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเวลาตีสี่ ก็ตื่นขึ้นมาทำวัดสวดมนต์และก็ปฏิบัติกันจนเกือบหกโมงเช้าขณะที่กำลังจะออกบินทบาทพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าวันนี้ไม่ต้องไปบินทบาทหรอกนั่งรออสศกพั ก, กชาวบ้านก็จะมาทำบุญที่นี่เองแล้วท่านพระอาจารย์ก็พูดต่อไปว่าท่านจำเอาไว้นะเดี๋ยวตอนที่ชาวบ้านมาทำบุญใส่บาดเรากันนั้นท่านจงสังเกตเอาไว้ให้ดี จะมีหญิงวัยกลางคนอยู่สองคนที่จะแต่งตัวไม่เหมือนคนในพื้นที่และกับข้าวที่จะนํามาถวายเรานั้นก็จะไม่เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปบริเวณนี้พระพงศ์ซึ่งตอนนั้นก็บวชได้แค่เดือนเดียวได้แต่รับฟังในสิ่งที่พระอาจารย์นั้นบอกและท่านก็ได้บอกต่อไปว่าให้หญิงวัยกลางคนสองคนนี้เขานําข้าวหรือกับข้าวมาประเคน เราก็ต้องรับนะท่านไม่ว่าเขาจะมาดีหรือว่ามาร้ายเราก็ต้องรับประเคียนไว้ก่อนพระพง์ได้ฟังแบบนั้นก็ตกปากรับคำอาจา์ไปเวลาผ่านไปล่วงเขาเจ็ดโมงเช้าก็เริ่มที่จะมีชาวบ้านทยอยหิ้วกระติบบ้างปินโตบ้างเข้ามาใส่บาดกันสมัยนั้นทางภาคอีสานชาวบ้านส่วนใหญ่จะแต่งตัวคล้ายกันหมด ซึ่งสามารถมองออกได้และตามที่พระอาจารย์ได้บอกไว้ว่าจะมีหญิงสองคนที่แต่งกายไม่เหมือนชาวบ้านแล้วพระพงษ์ก็ได้สังเกตเห็นว่ามีผู้หญิงสองคนซึ่งแต่งกายดูดีมากเมื่อสังเกตดูแล้วก็น่าจะอายุไม่เกินห0สเธอทั้งสองใส่กางเกงผ้าคล้ายๆกางเกงสล็กเสื้อยืดคอกลมธรรมดา คิดกับหญิงชาวบ้านคนอื่นๆที่แต่งตัวส่วนใหญ่นุ่งผ้าถุงกันแทบทุกคนดูแล้วเธอทั้งคู่น่าจะเป็นคนที่ท่านพระอาจารย์ได้บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้พระพงศ์ก็ได้แต่เก็บความคิดนี้อาไว้ในใจเนื่องจากชาวบ้านมากันพร้อมแล้วและผู้ใหญ่บ้านก็เริ่มมาราธนาศีลเพื่อที่จะรับศีลกันต่อไป พอเสร็ จ, จา ก, การให้ศีลให้พรชาวบ้านกล่าวถวายพระตาหารเสร็จถึงตอนชาวเข้ามาประเคีนข้าวและกับข้าวที่ชาวบ้านนำมาใส่บาตรทาบุญกันส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นข้าวเหนียวและปลาตามท้องนาพอถึงกราวของผู้หญิงสองคนที่แต่งตัวไม่เหมือนคนแถวนี้เธอได้เข้ามาประเคีนกับพระพงคนหนึ่งเข้าไปประเคนกับพระาจารย์อีกคนหนึ่ง พระพงษ์ได้สังเกตอาหารที่เธอนามาถวายนั้นเป็นข้าวสวยธรรมดาที่ยังมีควันขึ้นอยู่ความร้อนนั้นเหมือนกับว่าเพิ่งหุงมาใหม่ๆส่วนกับข้าวก็เป็นผัดกะเพราหมูต้มจืดบุญเซนและไก่ทอดกระเทียมซึ่งอาหารนั้นไม่เหมือนกับชาวบ้านคนอื่นเลยแล้วหญิงคนที่ประเคนให้กับพลาจานนั้นก็พูดขึ้นมาว่า พระอาจารย์ไม่ใช่พระเื้นที่นี้คงจะฉันข้าวเหนียวกันไม่ค่อยชินดิฉันก็เลยทำอาหารภาคกลางมาถวายพระอาจารย์ท่านก็ได้ตอบกลับไปว่าอาหารที่ญาติโยมนำมาถวายนั้นอาจมาเป็นผ้าเลือกฉันไม่ได้หรอกโยมใครประเคนหรือว่าใส่บาดอะไรมาก็ต้องฉันไปตามนั้นว่าแล้วพระอาจารย์ก็เอ่ยปากกับชาวบ้านว่า อาโยมทั้งหลายเสร็จแล้วก็มารับพรกันก่อนเลยจะได้ไม่ต้องรอพระฉันเสร็จหลังจากให้พรแล้วญาติโยมทั้งหลายก็ต่างลากลับไปพระอาจารย์ก็เริ่มที่จะฉันข้าวแต่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าท่านอย่าได้ไปฉันกับข้าวที่สีกาสองคนนั้นถวายมาเด็ดขาดพระพงษ์ก็ถามด้วยความสงสัยว่าทําไมครับ พระอาจารย์ท่านก็ตอบว่าคอยดูไปก็แล้วกันเราจะถ่ายกับข้าวของศีกาสองคนนั้นเอาไว้ในบาทแล้วจะนําไปตั้งเว้ตรงลานหน้าที่ปักกลดกลางแจ้งพอตอนคำคำทําวัดเสร็จหันกระจงไปดูที่บาทว่ามีอะไรพระพงศ์ก็ตอบรับคําพร้อมกับเก็บความสงสัยเอาไว้ในใจแล้วก็นั่งฉันพัตนาหันไป เสร็จแล้วก็เห็นพภาจานเทกับข้าวและข้าวของสองคนนั้นลงไปในบาทของพภาจานเองท่านก็นำมาไปวางไว้กลางแจ้งตกเย็นถึงเวลาทำวัดสวดมนต์เสร็จเวลาประมาณเกือบเกือบจะหนึ่งทุ่มพระพงษ์ก็ได้เดินไปดูพร้อมกับไฟฉายส่องไปที่บาทแล้วพระพงษ์ก็ต้องตกใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากในบาดของพระอาจารย์ที่เมื่อเช้าเทกับข้าวของหญิงสองคนนั้นทิ้งเอาไว้ตลอดทั้งวันก็ไม่ได้มีใครเดินเข้าไปใกล้ที่บาดเลยแต่ในเวลานี้มันเต็มไปด้วยเม็ดทรายและตะปูตัวเล็กๆเต็มไปหมดพระพงษ์ถึงกับอึง้งรีบเดินกลับไปหาพระอาจารย์ที่ตอนนี้กําลังนั่งสมาธิอยู่ในกรด แต่พระพง์ยังไม่ทันที่จะได้เอ่ยปากถามอะไรพระอาจารย์ก็กล่าวออกมาก่อนว่าเขาไม่ชอบเรานะท่านเขากลัวว่าเราจะมาทำลายหรือว่าทำลายการทำมาหากินของเขาเข้ากรดได้แล้วท่านคืนนี้ไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรหรือว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นก็ตามห้ามท่านออกมานอกกรดเด็ดขาดพระพง์ ได้ฟังคำที่พระอาจารย์พูดก็รีบตอบรับคำแล้วเดินเข้ากรดของตัวเองซึ่งอยู่ห่างกรดของพระอาจารย์ประมาณสักยี่สิบเมตรได้พอเข้ามานั่งในกรดแล้วพระพงษ์ก็เห็นพระอาจารย์เดินออกมาจากกรดของท่านถือด้ามกรดของท่านออกมาด้วยแล้วเดินมาหาพระพงษ์พร้อมกับยืนนิ่งๆพนมมือโดยมีด้ามกรดนั้นอยู่ระหว่างมือ สักครู่เดียวเท่านั้นท่านก็ก้มลงแล้วใช้ด้ามกรดจะรดไปกับพื้นดินเรื่อยๆเป็นวงกลมรอบกรดของพระพงษ์พอท่านขีดเส้นจบแล้วก่อนที่จะเดินกลับไปที่กรดของท่านเองนั้นท่านก็ได้กําชับว่าอย่าลืมนะท่านคืนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าได้ยินเสียงอะไรก็ห้ามออกมานอกกรดเด็ดขาด พระพงศ์ได้ยินคํากำชับแบบนั้นก็ตอบรับคําอาจารย์แล้วท่านก็เดินกลับไปที่กรดของท่านเองพระพงศ์ได้นั่งสมาธิต่อไปอีกพักใหญ่จูจ่ๆก็มีลมพัดแรงมากลมนั้นพัดแรงขึ้นมาเสียดือด้อทั้งทั้งที่ตอนค่าก็ไม่มีลมเลยลมพัดอยู่ได้พักใหญ่แล้วพระพงศ์ก็ได้ยินเสียงเหมือนสุนัข ก, กาลังขู่ ก็เลยค่อยๆลืมตาขึ้นออกจากสมาธิเพื่อหันไปดูอย่างช้าๆแต่พอหันไปดูเท่านั้นพระพงก็ต้องตกใจกลัวจนขนลุกสู้เพราะสิ่งที่เห็นเบื้องหน้านั้นเป็นหมาดําตัวใหญ่มากหมาดําตัวนี้เมื่อกากขนาดแล้วมันตัวพอๆกับควายเลยแล้วมันก็กําลังยืนขู่อยู่ดวงตานั้นเป็นสีแดงก่ํา หมาดำตัวนี้กําลังทําท่าพยายามจะเข้ามาในกรดของพระพง์แต่พอมันเดินมาถึงรอยที่พระอาจารย์ได้ขีดไว้มันก็ต้องถอยห่างออกไปด้วยความกลัวได้แต่ส่งเสียงขู่ต่อไปแบบเดิมทางเดินวนเวียนรอบกรดเหมือนกับพยายามที่จะหาทางเข้ามาให้ได้หมาดําใหญ่ยักษ์ตัวนั้น เดินเวียนรอบกรดประมาณสามรอบแล้วสิ่งที่พระพงษ์เห็นก็คือพระอาจารย์ได้เดินมาที่กรดของพระพงษ์แล้วใช้ด้ามกรดตีไปที่หมาดําตัวนั้นหนึ่งทีจนมันส่งเสียงร้องหวยหวนแต่สิ่งที่ทําให้พระพงษ์นั้นแปลกใจมากก็คือเสียงร้องหวยหวนที่มาจากหมาดํากลับกลายเป็นเสียงคู่หญิงแล้วพระพงษ์ ก็ต้องอึ้งตกใจกลัวแบบสุดๆเนื่องจากหมาดำตัวนั้นหลังจากที่โดนตีแล้วก็ได้หมอบนอนลงแล้วกลายร่างเป็นผู้หญิงคนที่เมื่อเชา้าได้นำกับข้าวมาถวายและแต่งตัวไม่เหมือนกับชาวบ้านคนอื่นนั่นเองจากนั้นท่านพระอาจารย์ก็พูดกันมาว่าต่างคนก็ต่างอยู่อาตมามาทุดดงกันสองดูเพื่อปฏิบัติธรรม ไม่ได้มาทำร้ายใครขอโยมจงกลับไปเถิดแล้วจงอย่าได้มากวนอัตมาอีกเลยเพราะสิ้นสุดคำของพระอาจารย์มมาดําตัวใหญ่ที่ขนาดนี้กลายร่างเป็นผู้หญิงและกำลังร้องอย่างหวยหวนอยู่นั้นก็ค่อยๆ อ, อันตรทานหายไปต่อหน้าต่อตาของพระพงษ์ที่ทาได้แต่อึงต่อสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นตรงหน้า จากนั้นพระอาจารย์ก็บอกว่าท่านจงอยู่แต่ใหนกรดห้ามออกมาเด็ดขาดจนกว่าฟ้าจะสว่างพระพงษ์ก็ตอบรับด้วยความกลัวจากนั้นก็นั่งสมาธิจนสว่างพอรุ่งเช้าพระอาจารย์ก็เดินมาแล้วบอกกับพระพงษ์ว่าท่านรีบออกมาเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางทุดงต่อจะดีกว่า เนื่องจากเมื่อคืนน้องสาวมาอาตมาก็ได้สั่งสอนไปแล้วคืนนี้พี่สาวคงจะมาหาเราเพื่อแก้แค้นให้น้องสาวแน่นอนพระอาจารย์พูดต่อไปว่าไม่อยากทำร้ายใครเพราะว่าปอบพวกนี้เป็นปอบที่มีวิชาอาคมแก่กล้าเล่นอาคมจนมีลิ้นดำของเข้าตัวเองเพราะผิดครูและจะเลี้ยงหมาดำเอาไว้ออกล่าเหยื่อเวลาหากิน เมื่อใดที่หมาดำที่เลี้ยงไว้กินอิ่มคนเลี้ยงก็จะอิ่มไปด้วยเมื่อใดที่หมาดำเจ็บโดนคนที่มีวิชาอาคมทำร้ายเจ้าของคนเลี้ยงก็จะเจ็บไปด้วยพระพงษ์ได้ยินเรื่องราวแบบนั้นก็ถึงกับอึง้งไม่นึกว่าในยุคสมัยนี้ยังจะมีเรื่องพวกนี้อยู่อีกแต่ว่าก็ต้องเชื่อเพราะเมื่อคืนนี้พระพงษ์ได้เห็นได้ยิน ด้วยตาและหูของตนเองแล้ว ส, สัมผัสสยอง